แต่ว่าตอนเช้านั้นได้อยู่ตอนสายมาเน้่ยเราออกไม่ไหวเออข้าบเราจึงออกมี่โรคไม่โรคหลายอย่างไม่โรคหัวใจด้วยแล้วก็มีโรคถุงน้าดีเป็นนิด้วยมีโรคออื่นอีกมากมายแต่ก็พอประทางประทางอยู่แต่ว่าบ้านยาอะไรก็มีอยู่หน้าในทพูดหน้าในทีพู ด, น, พดนี่มันจะหมายความว่าว้านยาไม่มี การรักษาอรักษาอยู่โรงพยาบาลชีร์แคดี ม, มารักษาอยู่ยาที่แก้ันไม่อดัดเ ม, ม, มันไม่ถูกมันมันไม่เท่าเราเขามันแก่แล้วมันไม่รับยาเหมือนเทน้ำรถหัวต่อมันไม่รับย า, ม, ม, บยามันแก่แล้วจจนี่พระนครหลวงเราสงบแล้วหรือยัง เอออืมสาธุสาธุนั่นตัวบุญเป็นยังไงตัวบุญก็คือในหลวงอันเองนั่นะคนอื่นพูดเข้าไม่หยุดท่านได้พูดสองสาคำเท่านั้นใช่ไหมนั่นะตัวบุญมันเป็นยังไงก็ตัวอย่างนั้นแ่ะตัวบุญ <c oughs> ทีนี้ ที่ช้ำรถทักพังก็ก่ก้มแซมกันอยู่มากไวประมาณห้าล้านไหมมากว่า ล, ล้านว่าล้านี่นีมันคงเป็นมือที่สามหรือที่สี่นะ แล้วเขไม่รู้ได้นะแล้ไม่รู้ได้แร้วอืมก็คาคะเนท่านละน่าละอายเขาจริงน่าละอายเขาไม่สมศักดิ์สนพุทธน่าละอายเขามากน่าละอายเขา ศาสนาพุทธตัดสินอาวุธเนืลายเขาทาเป็นโลกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างเขาละอายต่อบาปากลัวต่อบาปเพราะนั้นคุ้มครองโรคได้กฎหมายพระพุทธศาสนามีสองข้อใหญ่ควบคุมหมั่นอกจากนั้นก็นกบัญญัติไปเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะไปกฎสองข้อในควบคุมกฎห ม, มายทั้งหลายกฎทำทั้ทงหลายเขาละอายต่อบาปากลัวต่อบาปเทราะนั้นจะปกคลองโรคได้ ทำเป็นโรกรบาดคุ้มครองโลกมันได้ว่าคุ้มครองประเทศคุ้มครองโลกเลยนั่นเพราะว่าอายต่อบาบความควรต่บาบฉนั้นจะคุ้มครองลกได้เมื่อควรเหรียมร่าพระพุทธศาสนาสัจทะเทวนุษยสานังเป็นผู้สอนของเทวดามนุษย์สหนายพระพุทธศาสนานี่อยู่ทุกยุทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่ขึ er ้นอยูกคำท่านโพลุแล้วไม่รู้ทำอันนี้เก่งอยู่ม่ามีกรรมอันเคยกรรมในผลของกรรมไม่อยู่ ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่ยอมเชื่อเพรษาทธศาสนาเหมือนกันนั่นนั่นนกรรมและผลของกรรมเมื่อเลือกแค่วันลนะจะซื้อถือรักทไไิได้ก็ตามศาสน า, ษา ไ, ดได้ก็ตามกรรมและผลของกรรมก็ตามติดเดือเหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ําขึ้นบกตกไหนก็ไปเสียใจด้วยผลใจผลของกรรมและผลของกายมันพอมาแย่กัน เม er ื่อผ um. ลของกายใจมีก็ผลของกรรมก่อมีเหมือนกันกรรมก็คือมโนกรรมเป็นต้นท้ายเหตุของกรรมทั้งหลายที่เป็นนายหน้าที่เป็นนายกของกรรมทั้งหลายเวิจิกรรมมโนกรรมเป็นเมืองขึ้นของวิจิกรรมกายกรรมเมื่อกี่รรมเป็นเมืองขึ้นของมโนกรรมนักนักนักสร้างผลลงแล้วสร้างเหตุลงแล้วผลม่นต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคนฆ่าของเหตุจะไปในทางดีทางชั่วก็เช่นกันนั่ง เธอจะรูตร้ตัวไม่รู้ตัวคน เ, เป็นปัญหาเหตุทันจึงยอมรับนับถืบ อ, าาอว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ก้าวาไก ล, ล้วยเอาสนดื่มนม้ำซะดื่มนม้ำอืมาจากนาคามยๆหมอ อืมอืมอืมบอกใครมาแล้วเปออเอออืมอืมอืมเขาเป็นฮอกเอาซะอืม อาหนังสือให้เขียนอนังสือเขียนเอาไม่แต่เสือละตอนเย็นวัวยาววจารจะมาเอาเออหนังเขียนสะเขียนเสร็หนังสือเลียใหญ่เรียงโต้นะหนังสือเดียวมันบ่เอามาล่ะทีไนล่ะหนังสือเรียงเขียนปันซเอาไหว้ขาเจ้าเออแน่นแน่นเออเออแน่นเขียนสะ โอ้ยันยงนอ น, นอ่ะอืมยังจ้าพวกคุณแชทหลับไหมล่ะแ็ทหลับไหมล่ะพวกคุณไม่ไปเดินขบวนบเขาเหรือไ ม, ไม่ ไ, ไ, ไมไ่ไปนะแชทหลับนะแล้วแชทหลับแล้วเกินได้ยินแต่ข่าวเราก็แชทแล้ ว, ลวไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้แชทหลบับ ยอมยกของขาวเราไม่สู้ไม่สู้ด้วยไม่เข้าด้วย เ, วยเยรื่งน่าเสียใเสียมากเสียงายประเทศไหนมันทำ โอ้เขาก็ทเก่งถึงขนาดนี้หรือโอ้โอเข้าใจว่าของยนหนาวออเรียกปอาอืมอืมอออืมอืมือืมอือืมอืมอือม่มออือออืมอืมอออออืมอืมอืมมมอออืมือมม ไม่ม่มีร่างกระดูกมันมีมากไหมหรือไม่มีเขาบอกว่ามีเสียไปสิกคนแล้วก็เฉยก็ไม่เชื่ออืมคนเเชื่อว่ามันเปี่ยอนคำยอดเป็นคำเออเขาต่างชาติต้องไมเชื่อไม่เชื่อเ้าต่างชาตก็ไม่เชื่อที่นี่ในที่เชื่อเวก็เขาก็ติดตามอืมเขาก็ให้เรื่อขาวสาเรียนเรยน่ด้ใช่ตแต่ว่าถ้าข่าว่าวไม่เชื่อดี ไอ้นนัมแล้วกรนังคมเป็นที่สนใจมากัมเนัดเทมทอนเแพ่แ่อแฉดต่งหลคนเนา่อยิงด้ลูกปืนปักเรามาแฉดแฉดแฉนตายนี่เอาลูกปน มีอย่นกัมีเพื่อนคนหนึ่งเคยมาเาถั่วเป็นเครืองหมายอาถยู่โแล้วก็ให้ผมาสาน่งา้กามครับพุธตัดสินโดยอาวุธสารพุธตัดสิน้วยอาวุธนายรายเข้ามานอรู้คว่าคนที่เป็นตัวการนี่จะัง พูดน้อยไม่พออธิบายพูดหลายเดี๋ยวเขาเอาลูกกสุนมาใส่คายให้หลวงปู่เนี่ยพูดน้อยไม่พออธิบายพูดหลายได้รางวัลลูกกสุนหลวงปู่ไม่ตอบคําถามที่ไม่ควรตอบพูดถามก็ไม่ควรถามพูดตอบก็ไม่ควรตอบ สตาลินเขาไปอยู่ที่ไหนแน่ก็ไม่ควรตอบเหมือนกันไม่ควรถามเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> น่าสงสารจริงรจริงรจริง ตัวแสดงให้เห็นความขี้โอความเชีดโอ้ค้ายหน้าทั่วทั้งโลกความโหดเที่ยงปาเถื่อนอึมฮึมไงทุกทกทก พระไม่เข้าพระเจ้าไม่นกเนีน่นุ่งกเกงคอบที่ไก่แล้วมันก็มาปีกพระเดินไปมันก็มาปีกปีกนุ่ <c oughs> นงกาเก ง, <c oughs> งกงเกงแล้ขายาวเอคอบที่ไก่แล้วพระมันก็มาปีกกบคนพวกนี้ถ้ามองดูหน้าอ้าแล้วตาพีบ้านเนี่ยไม่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 เรื่องบิดเบือนกับพระพุทธศาสนาเองไม่ใช่อย่างอื่นเรื่องนี้พระพุทธศาสนาสนใจเรื่องบิดเบือนกับพระพุทธศาสนาเองไม่ใช่อื่นคุณจะทำจะอย่าทำให้คนในชานี้เกิดขึ้นเรื่องเสื่อมนั่นเสื่อมเพราะว่านางงามจักรวาลของพระบรมศาสดา คือพระอรหันต์พระโสดาหวันพระอรหันต์พระอนาคามีพระกทจจานพระโสดาหวันนางงามของพระพุทธศาสนานางงามหรือชางามของพวกเราเดี๋นวมั่ห่มมเลากเอามาบูชาพระพุทธศาสนาด้วยไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศเราถ้าจะทําก็ทําในประเทศอื่นซะดีกว่าไม่น่าจะเอามาบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในประเทศเรา พวกนี้นมันะมันเปล่นฝ่ายคำสอนในพุทธศาสนามาน 14-15 สี14่าปีเอาลูกไปขายเอาลูกไปขายเอาเงินมาเรียงชีพเอาลูกผู้หญิงไปขายนั่นมันก็เป็นชื่อกิตที่ขี ด, ดส่งเสริมเขีตสมัยส่งเสริมรนนขีตสรนางรักทัศน์อีก ราคะสา ร, uh สร mm ังคชาติโทสะสารังคชาวิโมหะสารังคชาวิราคะโทสะโมหะมันขึ้นข like ีคอควาช่างความากขึ้นขีคอเวลากระดดลงก็มีอันนี้ราคะโทสะโมหะขึ้นขีคอจิตคอใจแล้วไม่มีวันลงเลยเพราะเหตุใดเพราะไม่มีอาวุธพระพุทธศาสนาอยู่ที่วงใจมามพูดน้อยคอยอธิบายพูดได้ก่วุ่นววุ่นว่นวุวุ่นว่ เดี๋ยวจะให้พรที่นี่ขอยับ่นี่ยะถาวานิวาฮาุูราภิเรปเรนเทสะคารังเอวเมวอีตูจินังเตตานังอุปกปติอิจิตังปิจิตังตุมหังเชพบเมวสมมิสตุกะพีภูเรนตูสังกะป่าจันโทปนันดาโสยะถามณีโชตีนาโซยถาสะทีติโยยวัจจันตุสะปะตุโคสะปะระโยชนสะปะโควินัสนตุมาเทพวัตตนตระโยสุสีตีกายโยโภวะภิวาตนาสีนิสานิสังมุทตาปิจายโร ชตาโรธรมาวัน์ทิอายวโนโสุขังพระรังเข็มทิศจะมีกี่ร้านล่าก็เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือนะโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอน ใ, นใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียบในทางสูงเทียบในทางลึกซึ่งเพื่อให้คำหนึ่งได้หลายทาง นำห้วยน้องครองเมืองบางต่างๆไล่ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไล่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกบางท่านกล่าวว่าเราจะปกครองกันแบบไหนก็พระสมมาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยืนยันแล้วว่า ทาเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ชินห้าจะตั้งเงินได้กัญยาณธรรมห้าจะตั้งเงินได้จะทํามาหาลีอย่งคีวิตในทางที่ชอบก็เพราะมีความายางอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปถ้าไม่มีความกลัวต่อบาปไม่มีความละอายต่อบาปแล้ว โคหมายโคหมู่กคตักกคพวกก็ตั้งไม่อยู่หมู่ของทําไม่นําคํำหนึ่งก็หมดที่พึ่งปิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับกรรมและผลของกรรมไม่โอนเอียงเข้ากับนักที่ใดๆทั้งสิ้นนักที่ใดๆในใจโลกธาตุก็อยู่ใต้อํานาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้น ถึงแม่คดีดำคดีแดงในโรงในศาลจะสกระเสียนจะจบกระเสียนสักเพียงไหนก็ตามกรและผลของกรรมที่ทำดีและทำชั่วตามส่วนคนขค่าของเหตุก็ไม่จบกระเสียนก็ให้ผลอยู่อย่างนั้นตามเท่าเข้าสู่วันนิพพานน้าห้วยน้องขอมืองบางต่างไรลงสู่มหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไรลงสู่คำสอนพระุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก นเที่ยมในทางลึกซึ่งเที่ยวในทางสูงกว่าทางกล่าวมาแล้วนั่นเองก้อนไม้ก้อนหมูก้อนพักก้อนพวกเมื่อตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเราจะเห็นได้ย้าพวกที่ถือว่าไม่ไม่มีบุญไม่มีบาปนั่นเองก็แต่กระเจิงกันแล้วไปไม่ไหวที่ถือว่าไม่ไม่มีบุญไม่มีบาป พระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาธิปไตยอัตาตาธิปไตยก็ดีประชาธิปไตยก็ดีก็เป็นเมืองขึ้นธรรมมาธิปไตยถ้าจะเอ า, าประชาธิปไตยเป็นใหญ่ถ้าประชาชนทั้งหลายทั่วทั้งไต้โลกธาตุนี่ถือว่าไม่มีบุญมีบาปทั้งหมดเราจะไปด้วยไหมเราก็ไม่ไปด้วยเพราะมันไม่ถูกธรรมมันก็ต้องไม่พ้นธรรมมาธิปไต้นั่นเองนั่นหมูมากลากไปจะลากไปทางดีมันก็ถูกลากไปทางชั่วมันก็ไปใหญ่ ตกเหวตายหมดเหตุนั้นจึงมีทำเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตวงมีเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดพระพุทธศาสนาองค์ไดนก็มาคําสอนมีคําสอนอันเดียวกันจะมากี่ร้อยโกฏก็ตามอเนกาสะตะโกตะยาตะอยู่พระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกฏก็มีทำคําสอนอันเดียวกันไม่ได้มาคัดข้องกันเลยไม่ได้มาอวดพรบกันเลย พระราชาบรณฑิตอเดียวกันหมดความอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเั่านั้นเป็นทรัพพ์ภายในด้วยเป็นที่พึ่งของตนด้วยเป็นนาะกระนธรรมธรรมที่พึ่งของตนอีกด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นที่เบียดเบียนตนอยู่ตะพึดตะพือโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วย เวลาเราอยู่ประจำวัน <c oughs> เราก็ต้องอาบน้ำาถูสบูร่างกายจึงพอประทงังประทังได้จึงบรรเทาความสกปกโสมุมไปทั้นใดก็ดีคิดใจก็ดีต้องมีธรรมะของพุทธศาสนาจึงจะไม่สกปกมากถ้าให้อย่างนั้นแล้วก็สกปก ใจไม่เป็นที่พึ่งของใจจะให้อันไหนมันเป็นที่พึ่งเพื่อพึ่งของใจด้วยใจไม่เป็นเครื่องอบอุ่นของใจก็ไม่มีอันไหนจะเป็นเครื่องอบอุ่นของใจใจเป็นนายหน้าของโรคตาโรคหูโรคจมูโกโรคลิ้นโรคกายตาหูจมู ก, ล, กลิ้น ก, กา ย, ากกายเป็นโรคแต่ละอย่างละอย่างตาเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล ใจเป็นผู้ดูแลตาหูจมูกริ้นกายมาให้พาไปทำโทษสิ่งไหนก็ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดูสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฟังสิ่งที่ไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดมกลิ่นก็ไม่เลียมรถก็ไม่ต้องโผตพะก็ไม่ต้องนึกไปในทางธรรมารมใจไม่ีขอบเขตใจที่มีพระพุทธศาสนาก็คือใจที่มีขอบเขตทาดีแล้ว ไม่ต้องต้อนเข้าคอกแากเหมือนโคแล้วกระบือ้อก็ต้องมาเข้าคอกใจนั่นเองเพราะใจเป็นผูท้ทําทําชั่วแล้วก็ไม่ต้องเข้าคอกไล่เข้าคอกแยกเหมือนโคแล้วกระบือ้อก็มาคือคือมาหาคอกใจนั่นเองใจจะปฏิเสธไปไหนใจก็ปฏิเสธไม่อยู่ใจเอ๋ยอเธอทําประโยชน์ตนะประโยชน์ท่านหรือไม่ ถ้าใจไม่ได้ทําประโยชน์ตนทำประโยชน์ท่านใจจะโกหกพกลมใจใจก็โกหกไม่ได้ใจเออเธอไปมีเมตตากรุณาไหมหรือเธอมีพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าแกมีพยาบาทวิตกมีหิงมีวิหิงสาวิตกความเบียดเบียนอยู่ใจจะโกหกใจก็โกหกไม่ลงนั่นนั่นนั่น ในใจโลกธาตุไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจใจเป็นผู้รู้ก็พิเศษให้ใครไม่ได้ใจตอนใดใจที่หลงทมผลของความหลงก็มาหาใจใจที่ทำโดยโดยรู้ตัวผลของใจก็มาโดยรู้ตัวใจทมที่ทำโดยไม่รู้ตัวผลของใจก็นำมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันใจสงสัยผลของใจก็จงต้องสงสัยใจรู้ตอนไหนผลใจก็รู้ตอนนั้น เหตุฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะมนุษย์เต็มภูมิเทวดาเต็มภูมิพรหมเต็มภูมิสุปฏิพโนชุยยะสามีจะเว้นไม่ได้เหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเคารบธรรมสัทธัมโมคารุกาตับโบควรเคารพพระสัทธธรรมพระสัทธธรรมนั้นชงอยู่ที่ไหน ถ้าใจมีธรรมก็ทรงอยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีธรรมก็ไม่ได้ทรงธรรมทรงแต่อกุสลธรรมทรงแต่ทมอันเดือดร้อนไม่ได้ทรงทมอันเป็นที่พึ่งของตนและผู้อื่นนั่นนั่นนั่นาณาธิบาศมีประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตนก็มีประโยชน์ไม่เป็นเวรเป็นภัยกับมันมันก็ไม่ได้เลวงเราว่าจะฆ่ามันนั่นนั่นน่น อธินนาทานก็เหมือนกันเราไม่ไปรักของเขาเขาก็ไม่ได้รังแกรงเขาเราก็ไม่ได้เป็นเวรเป็นภัยในส่วนนี้นั่นประโยชน์ตัวและประโยชน์ผู้อื่นมันมีอยู่ในตัวการเมืองสมิชาจาร์ก็เหมือนกันเขาก็ไมไ่เสียประโยชน์กับเราเราก็ไม่ได้เป็นเวรเป็นภัยกับเขานั่น น, นัในประโยชน์ทั้งสองทางปันธิโตครมามะวสัง บรรทิตเป็นผู้ครองเลือนบรรทิตเป็นผู้ครองเลือนคือคนประเภทใดเล่าผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ผู้มีเมตตากรุณาันประกอบกับตัวปานาติบาตกับตัวอธินาทานกับตัวกามีสุเมตยจารากับตัวมมสากับตัวสุราพ้อมกันหมด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 มันก็บอกว่าสังคมนยิยมของมันไม่ได้อย่างพึ่งมันก็บอกเหมือนกันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าสังคมนยิยมของมันมันก็บอกว่าชาวโลกเขาพาเป็นทีนี้เราจะเอาอันไหนเราก็มีอิสระที่จะเลือกได้นั่นนั่นนันนันเรามีอิสระแล้วเดี๋ยวนี้อิสระอยู่ในเราแล้วคนเราบรรใจถึงทุกคนนั่นเอง ใจถึงทางทำชั่วมันก็ได้รับผลชั่วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหานั่นเมื่อเหตุสร้างลงแล้วผลก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุคือใจเป็นผู้เจ้าของเหตุเป็นมหาเหตุใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาจะปฏิเสธให้คนอื่นสักเพียงใดก็ไม่เป็นปัญหาคำว่าสันติทิโกในทางพระพุทธศาสนา สันทิษทีโกเป็นผู้เห็นเองเป็นผู้รู้เองก็จริงแต่พวกที่เขาทําผิดเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดอยู่เขาก็เป็นสันทิษที่โกเหมือนกันพวกที่ทาถูกเขาก็รู้ว่าเขาทําถูกอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นสันทิษที่โกเหมือนกันสันทิโกสันทิษที่โกสองจำพวกนี้อันไหนมีคุณค่ากว่ากันนั่น สันทิฏฐิโกอันไหนที่มีขอบเขตปัจจตังอันไหนมีขอบเขตสันทิฏฐิโกลงโอปัจจตังรู้เฉพาะตนคนเฉพาะใจเห็นหยาบในเฉพาะใจเป็นวันหยางวันลังก็คือนับเอาแต่สุปฏิปันโนเป็นตนไปถ้านับตจำกว่านั้นลงมามันก็ฝันฝื้อเช่นโจรผู้ไร้เขาก็รู้ว่าเขาเป็นโจรผู้ไร้อยู่จะจัดเป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิของพพุทธศาสนายังไม่ได้ คำวสันทิปที่โกในทางพุทธศาสนาไหมเอาสุปฏิปันโนเป็นต้นไปคือพระโสดาบันพระโสดาบรรจะภาวนาหรือไม่ภาวนาก็ตามแต่มันก็เป็นภาวนาอยู่ในตัวท่านไม่เสียดายห่วงละเมิดชิ้นห้านั่นนั่นท่านไม่เสียดายอยากกะล่วงอบายมุกนั่นนั่นนั่น ท่านไม่เสียดายอยากจะถือศาลาอื่นท่านไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีท่านไม่ไปกาวตู้เลิกยามวันเวลาถ้าทําดีท่านก็ให้คะแนนท่านตอนไหนท่านทําดีตอนไหนท่าน ท, นนทําทชั่วท่านก็ไม่ให้คะแนนท่านนั่นเรียกว่าถ้าไม่ถือเลิกถือยามถือนักกระตังสมงังกรลังเวลาทําดีตอนไหนตอนนั้นก็เป็นเลิกดียามดีของผู้ทํานั่นะ ไม่ถือการอยู่ยงคงกระพันอีกไม่ถือเวทมนต์กลละคาถาอีกไม่เสกเสกเป่าเป่าอีกนั่นภูมิปัตสวาวันพระข้ามทะเลหลงตอนตอนไปแล้วเอายาเอายามาอม ายาม่อมเพราะโลก้าใจมันขึ้นหงปูเป็นหลงปู่เป็นโลกหลายอย่างหมกรุงเทพก็ตามก็ต้องมาในวันนั้นไม่ยอมนอนข้างคืนในโรงพยาบาลเพราะจะมาทาน่วยแล้วมันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ได้วางไว้จะทำ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 โยนี่สี่ทุกทานหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงอยู่ทุกเมืถือสุขในพุทธธรรมสงุก็สุกในพระสวัสดิวันนั่นเองสุขในสักขาคามีนาคามีอรหันนั่นเองคือสุขในพุทธธรรมสงุญ ส, ส, ส, ส, สุขต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกีนทีนี้ด้านสมถะใครจะเข้าสมถะอันไหนก็ไม่เป็นปัญหาด้านนิพพัฒนาปัญญารวมที่แห่งเดียว เมื่อเห็นอนิจจังคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วพราะโลกจะไม่ด้วยอนิจจังเมื่อเห็นทุกข์ในคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกจะไม่ด้วยทุกข์เมื่อเห็นอนัตตาคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพราโลกเต็มไปด้วยอนัตตาทีนี้เมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วความทะเยอทยานในโลกทั้งปวงก็เบาลง สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักรมาพระเจ้าหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปพรหมเจ็ดกันและอรูปพรหมสีชั้นรวมลงมาในเป็นสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเมื่อเห็นสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งก็เห็นโลกรอบโลกแล้วทุกๆโลกลงรวมลงมาในสังขารโลก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 ผู้ได้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติเพื่อนั้นต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอ น, าานัตตาพร้อมกบลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีประตูที่จะเบื่อหน่ายเมื่อใดความหลงของตนเลย น, นมีแต่จะหอบมีแต่จะเมาเอาโลกไม่มีการปล่อยวาง ผู้พิจนา อ, อนิจจังทุกขังอนัตตามันปล่อยวางอยู่ในตัวไม่ได้ทาท่าทําทางปล่อยวางอีกนั่นใคใายกับเราลืมตาเข้ามันปล่อยวางเมื่อดอยู่ในตัวไม่ทําท่าทําทางให้ปล่อยวางนั่นนั่นผู้เดินทางรับปฏิบัติมานานต้องพิจารณา อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาให้มาก พระอมก์กลมงให้ใจเข้าออกเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สั ก, กว่ า, เ, กกวาเห็นเพราะจะทําลายอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่ในตัวหนักหนักหนักถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยื่งยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าพระพุทธศาสนาพินาศลง ชาวพุทธจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนหมดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครลุกกล้าวชาวพุทธกรรมของพวนั้นจะไม่บอริสุดธตลอดกาลนานบานปลายในทางเสื่อมนะถ้าอรัญญาวาสียังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าอรัญญาวาสีพินาตลง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 แสดงธรรมจักป่าอิสีพัฒนามิตรทายวันตรงอายุสังขารเวรุวันป่าสวนวัยไพรินิพานที่ป่านางรังทิศตะวันออกเมืองกุสินาราถ้าตัดป่าออกแล้วพระพุทธศาสนาจะบอริบูรณ์หรือไม่ตอบว่าไม่บริบูรณ์เพราะพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับป่าแทบทุกทุกสูตร ตรอถึงพระวินัยก็เกือบแทบทุกทุกสิกขาบทก็ว่าได้พิสุจาพันษาในเสเนเสนาสนป่าพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสมเด็จพระพรมราชามาแต่ดึกดำบัรรนั้นจึงมีราชาโนราชาโนราชาโนอยู่ทุกหนทุกแห่งนัดนัดนั่ น, น, น, น, น ขั้งพุทธการมีพัฒนาบ้างไหมวัตถุนิยมขั้งพุทธการพัฒนาไหมขัางพุทธกา ร, าา ก, ารก็พัฒนาอยู่ไปพร้อม ก, กันกับทั้งอุดมคติเช่นป่าเชตตะวันมหาวิหารอนาถาปินทิกระเสดีสร้างกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโกดนะัก0บโกดจึงเป็นล้านอาศิไปคูณสี่สิบห้าดูดู ชิ5ห้าห้าสิบชิพสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสิบล้านกระเป๋าเดียวเอา้าพุฒิารามที่นางวิสาขาสร้างสวายกระเป๋าเดียวยี่สิบเก้ากดไม่ได้แผ่ไม่ได้เรียไม่ได้ไรไม่ได้ขอใครเลยไม่ได้มีพุทธาพิสงพิเศษอะไรกับใครกระเป๋าเดียวล่าน และนางเวสาขาก็เป็นพระสวสดาบัลอีกด้วยนั่นนั่นนั่นนั่นเราจะประมาทขั้งพุทธการไม่ได้ข้างพุทธการเก่งขั้งวัตถุนิยมเก่งขั้งอุดมคติด้วยอุดมคติก็ถึงพระสวัสดิบันลิบลิบ ล, ล, ล, ลิเลยข่าว่า้มีแต่พระสวสดาบันทั้งนั้นมาปฏิบัติภพุทธศา ส, สนา ไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องปห า, านค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลยเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าวตัวเป็นอยาหารค้าขายน้ำมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี่พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยสินห้าก็ไม่เสียดายอยากลนละเมิดไม่เสียดายอยากสาบแช่งท่านผู้ใดมีโกรธอยู่แต่ไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งนั่นภูมิพระโสดาบันถ้าใครเป็นอย่างนั่นก็ฟุพระโสดาบันเต็มภูมิไม่ต้องให้มีคะแนนเสียง คนมากมาให้คะแนนก็ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเน่ะจะให้คนคะแนนเสียงตั้งไ ต, งตโรคธาตุเนี่ยมันก็เป็นพระสุวบันไม่ได้นักนันักไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้ามันทำไมมันจะหนักใจมันก็ไม่หนักใจซิที่มันหนักใจก็เพราะมันเสียดายอยากล่วงละเมิดนักหน น, น, น, นไม่เสียดายอยากจะสาบแข่งท่านผู้อื่นเพราะท่านมีเมตตาประจําใจอยู่แล้ว เมื่อท่านไม่สามารถล่วงละเมิดเช่นหา้าเช่นห้าไม่ ด, ไมไมด่างไม่พลอยไม่บริบูรณ์เสียด่างเช่นห้าด่าไม่ด่างไม่พลอยและบริบูรณ์อยู่แล้ว <Okay. S 1> ท่านก็มีเมตตาอยู่ในตัวมีกรุณาอยู่ในตัวมีพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในตัวมีวศีลอนุสติและลึกสินสินสินของตนอยู่ในตัวมีพุทธธรรมสงฆ์พุทธานุสติอยู่ในตัวเพราะไม่ยอมถือศาสตราอื่นนั่นั่งนั่นจะนั่งตลอดวันตลอดคืนก็เหมือนกันก็ตามเถิด แต่ถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดชินห้าอยู่ถ้าอยากเสียดายอยากจะพระพุทธอบายงดอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้าอย่างนั้นพระทั้งหลายก็ต้องเป็นพระโสดาบันหมดสิมันไม่เป็นเพราะสินบรรดามันพร่อยนั่นมันจะเป็นทําไมนั่นเป็นส่วนมากถ้าสินไม่ดาไม่พร้อยมันก็เป็นสินห้าถ้าไม่ดาไม่พร้อยก็เป็นสินพระโสดาบันศินแปดถ้าไม่ด่าไม่พร้อยก็เป็นสินพระอนาคามี สินสองร้อยยึดเก็ถ้าไม่ด่างไม่พ้อยก็เป็นสินพระอรหันต์นั้นนั่นเอวังอาละเทนี้ยถาอริวาปุราปฏิปุเรนีสซาตลังเอวามีวิตุทินนางเพตานางอุปกาปิมิจตังปฏิตังตุมาเเสพมีวสมิตตุสพีปุเรนตุตังขปาจันโทพนารโสยะถามณีโสทโสยะถาสพีตโยวจจันตสัพพทุโศสัพพโยสโกวินัสสตุมาเตภวัันตาโยสุขีสีสาโยโภ โตอภิวาทนาสีที่สานิจังวุฒาปัญญูจัตตารัวธรรมาวัันติอายุวณูสุ ข, ขังพระหลังเต็มใจโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมดถ้าเราสําคัญเราเป็นของเรามันก็บ้าจริงๆไอ้ที่แท้ก็คือเศษเสเลศเศษกระดาษของพระอริยเจ้าทาั้งหลายที่ท่านเข้าสู่พระานไปแล้วนั่นเองแต่เราพอเราทั้งหลายก็เปรียบเหมือนหมูนอนทีนี้ มาแย่งกันกริ้งไปกริ้งมาแต่วัตถุนิยมก็ดีอันใดก็ดีที่หามาได้ทางที่ชอบก็ดีก็เป็นเศษกระดาษของพระอรหันต์ท่านไม่เช่ได้นนักในใจโลกอท่านซับภายนอกภายในเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมดแล้วเราจะสําคัญเราเป็นของเรามันก็ไม่ถูกท่านไม่เอาจะเป็นเมืองขึ้นของท่านทําไมน้ําลายก็ระเบนกันท่านร่วนชิ่งแล้วเห็นแต่มดจอกันอยู่ เราก็บอกว่านำลายพระลหันแต่ท่านไม่เสียทายจะเอาคืนเสียแล้วนักนักนักสุกไหม้นนานๆจึงจะได้มาฮะอ่ออ่เนี่เป็นเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุข